นี่เราสลับพระเก็บอารมณ์กันมาเรื่อยๆก็ลองสลับไปเก็บบนเขาบ้างในช่วงไหนที่มาไม่ได้ขึ้นไปสอบอารมณ์ก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะเพราะพระท่านปรับการอยู่ป่ายังไม่เป็นเพราะการอยู่ป่าเนี่ยมีอุปรสรรคเยอะเดี๋ยวหมดเดี๋ยวแมงเดี๋ยวฝนเดี๋ยวอาหารอะไรต่างๆแต่ถ้าปรับเป็นก็ยังง่ายก็เรื่องของ การเก็บประลุมว่าพระที่มาจากของรี่สี่รูปจะได้ขึ้นสองรูปนะอยู่ที่นี่ห้ารูปอาจจะได้ขึ้นไปสี่รูปเท่าที่เราจํากัดก็สลับกันเอาแล้ไม่ครัวก็ขึ้นไปช่วยนิดหน่อยอ้วไม่ใส่แกทํางานหนักมาทั้งปีไม่ได้พักก็จะขึ้นไปพักข้างบนแบบโยมมาก็จะขึ้นไป ช่วงเชา้าช่วงเย็นก็กลับลงมาเพื่อที่จะไปเสะวรลมดูแลการที่ทำงานหนักเนี่ยเราก็ทำอย่างตอนเช้านี่นะมีหมายถึงว่าเอากลังกายทำลมปรานมีเส้นทำงานหนักได้ทั้งวันโดยที่ไม่เหนื่อยเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นกำลังแต่สองสมวันมามันร่างกายเราซิกพอะไร เพราะไปบันเทนในวัดอุลุมบรรเทนหกเจ็ดวันเนี่ยไปแตะอาหารถทวยไหนก็เจอแต่ฟูงชโลทั้งนั้นวันแม้แต่พริกก็หวานที่เราจะไม่ฉันก็ไม่ได้เพราะว่านั่งร่วมกับพระผู้ใหญ่ถ้าเราไปฉันแต่อาหารของเราท่านก็จะว่าเราแยกหมู่แยกพวกก็จะเป็นด้วยฉันกับท่านมั่งฉันก็ไปเจอแต่อาหารสารพิษทั้งนั้นนะแต่เมื่อวันเย็นก็จะล้างสารพิษออกก็ก็ดีขึ้นไม่มีเวลา ทางสารพิษก็เอาน้ำใบเตยน้ำยานางผนะสมกันแต่ต้มใบเตยแล้วก็ยานางไว้ต้งตุมผสมกันก็ทำที่ทอองในช่วงที่น้ำท้อเข้าไางในแล้วก็หมุนท้องให้เต็มที่นะที่เทออกทีเดียวทั้งหมดเลยทีนี้จะโล่งเลยทีนี้เพราะฉะนั้นเรื่องของร่างกายเราก็สามารถซักล้างได้เหมือนผ้าเหมือนจานนี่แหละถ้าเราซักเป็นนะ ร่างกายก็จะสะอาดก็จะมีกําลังกลับคืนมาในช่วงไหนที่ร่างกายเราไม่สะอาดกาลังกําลังไอต่างๆก็เสียหมดร่างกายเราก็เปลี่ยนแปลงะการดูแลร่ลางกายทั้งท่าสี่ดินน้ําำลมไฟดินคืออาหารที่ปลอดสารน้ําก็คือน้ําธรรมชาติน้ํานี่ดื่มได้เลยนะน้ําปลาธรรมชาตินะถ้าเราเอาน้ํามาจากในเมืองเป็นน้ําที่ไม่มีไม่มีธรรมชาติอยู่ในนั้นเพราะมันถูกกรองไปหลายชั้นเลยกันนะก็ทําให้ เราดื่มน้ําที่ถูกกรองมาหลายชั้นกรองเอาสารธรรมชาติออกไปลมอากาศที่นี่ก็ใช้ได้ไม่อยากให้เผาขยะแต่บางครั้งนี้ถ้าจำเป็นต้องเผาก็ต้องเผาทิ้งให้ไวถ้าควนทั้งวันนี้ ส, สารพิษก็กระจายแล้วก็เสียอากาศต้องรีบเผารีบหมดนะถ้าเผาแล้วควนทั้งวันไม่ออกลมไฟทัดไฟแล้วคือได้ออกกาลังกายตอนเชาน้านี่ถือเป็นการเพิ่มทัดไฟดื่มน้ําเพิ่มทัดน้ํา ชัดลมทำลมปรา น, นันดินน้ํามลมไฟถ้าหากว่าเราบริหารให้ถูกส่วนแล้วนี่มันก็จะมี <c oughs> พละกําลังที่ทํางานได้แต่ประชากรของเราทุกวันนี้ประชากรที่ไร้คุณภาพปัญหาเรื่เยอะแยะไปหมดแก้ไม่จกเศรษฐกิจการเมืองสังคมทั้งๆที่เรามีคนมีความรู้เป็นด็อกเตอร์เป็นปริญญาตรีโทเอกเยอะแยะในเมืองแต่เราเอาความรู้มาห้าหั่นกันไม่ได้เอาความรู้นั้นมาใช้เพื่อบริหารประเทศชาติประเทศชาติก็อย่างที่เราได้เห็นนี่แหละ พอเราไม่ได้ใช้พุทธศาสนาเนะ่ยเราใช้าศาสนาอื่นาศาสนาคิดเอ า, าศาสนานึกเอ า, าศาสนาทิฐิไม่ใช่าศาสนาพุทธมันก็เลยเป็นอย่างเงี้ยนะดังนั้นเองถ้าเราใช้พุทธศาสนาจริงๆเนี่ยมันครอบคลุมขั้งหมดของชีวิตเราใช้พุทธศาสนาเพียง5้หรือสิเท่านั้นไม่ถึง 20% นดังนั้นก็ามาก็เลยฝึกใช้มาตลอดก็ได้ผลนะได้ผลกับตัวเองแล้วก็บอกให้ญาติโยมทำ แม้แต่การเจ็บปว ด, ด บ, บางครั้งถ้าเรารักษาเป็น mm. ก็ไวนะวันก่อนไปเดินยังไงไม่รู้ไอ้นิ้วก้อยไปสกิดเอาแง่งหินเข้าไอ้คนเล็บนิ้วก้อยมันจิกเข้าไปท้างในบวมขึ้นทันทีเลยนะที่ว่า ง, งานนี้คงจะได้เดินไม่ได้ลนะเพราะไอ้เล็บมันกัดข้างในคินึกได้ถึงว่าไอ้ความที่มันบวมขึ้นเป็นความร้อนใช่ไหมเดือดลมก็ยานางเป็นของเย็นไป ยองอยางนางังก็เยียญนางโปสองทีนะ่ะลงปกติเลยใ น, น ก, การอยู่ป่าต้องรู้ทฤษฎีว่าเวลาอุบัติเหตุเจ็บปวดนี่ทำยังไงให้มันเข้าสู่ปกติได้ไวที่สุดก็ต้องรู้วิธีการเพราะนั้นเองถ้าหากเราใช้สติให้ครบถ้วนการใช้ชีวิตของเรานี่จะไม่มีทุกข์ เ, เลยนะภายนอกภายในแต่ถ้าเมื่อไหร่ถ้าดินน้ำลมไฟของเรามีปัญหาจิตวิญญาณก็มีปัญหา ปัญหาเกิดคิดมากนอนไม่หลับอะไรต่างก็จะล้วนไปหมดเลยถ้าบริหารท่าสีให้ดีจิตวิญญาณก็จะดีไปด้วยเรื่องคิดมากปรุงแต่งอะไรมันก็จะน้อยลงไปเพราะนั้นก็เราประชากรเราเจ็บป่วยกันมากเพราะฉะนั้นก็เรื่องของการทะเลบาแวงกันมันก็เป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยแต่ว่ากลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเพราะว่าเราไร้คุณภาพทางด้านสติปัญญาและอารมณ์ ทำหันกันอยู่นั้นนั้นการเกิดสงครามก็เกิดมาจากสาเหตุว่าร่างกายเราไม่ดีนั้นนกลับมาทั้งต้นชําระศึกษาพุทธศาสนากันใหม่ใช้สติถ้าหาว่าคนที่รับได้นะคนที่รับอตมาไม่ได้ก็เยเนนี่ยมเงินนะอะไรพระเต้นแล้งเด้นกัออกกำลัลงกายเขาก็รับไม่ได้ก็มีแต่ที่เขารับได้ก็ได้ประโยชน์อันนี้สูงไปก็พยายามทําความเข้าใจอันนี้เพื่อ ให้เราใช้ชีวิตของเราเนี่ยให้เป็นประโยชน์มากที่สุดเท่าที่มากได้เพราะเราไม่รู้เลยจะตายวันไหนพรุ่งนี้มันอาจจะตายเพืปั๊บตายวันนี้มือห่จะเป็นโรคาายตายแต่ในช่วงที่มันยังไม่เป็นอะไรเนี่ยดูแลมให้ดีดูแลเป็นเครื่องมือบาเพ็ญคุณงามความดีขั้นต้นก็คือเรื่องศีลเรื่องฐานบำเพ็ญความดีในขั้นกลางทำสมาธิ จะเดินสติบำเพ็ญคุณงามความดีขั้นสูงก็ทำมรรคผลนิพพานให้มันทะลุผู้โป่ปงได้ในชาตินี้นะฮะไม่รู้ว่าชาติต่อไปเราจะได้เกิดมาเมืองไทยหรือเปล่าเกิดเป็นชาวพุทธหรือเปล่าเกิดมาเป็นมนุษย์ครบสามสิบสองหรือเปล่าไม่แน่ทั้งนั้นเลยหรือจะเกิดในศาสนาอื่นหรือเปล่าแต่เดี๋ยวนี้ขณะนี้เดี๋ยวนี้เราเกิดเป็นมนุษย์พวกพุทธศาสนามีศรัทธานในพระศาสนาได้ปฏิบัติธรรมมันโชคดีที่สุดแล้วนะ แต่เรายังละเลยโชคกันนี้อยู่เนี่ยไหมเพราะว่าเราอาภัพมากมากเลยนะราต้องยอมรับวิบักกรรมอยู่นั้นเฉงนั้นก็อยากจะให้ทําให้ดีที่สุดร่างกายกับจิตใจในี่สัมพันธ์กันเหมือนกับรถกับคนขับสัมพันธ์กับมืบ้านกับคนอาศัยนะถ้าหากว่ารถเราจะนั่งรถไปที่ไหนถึงเป้าหมายหรือไม่เนี่ยรถไปไงดีไหมคนขับเก่งไหม ถ้าหาคนขับเก่งรถ ด, ดีโอเคไปถึงเป้าหมายแต่ถ้าหากว่ารถไม่ดีคนขับเก่งขนาดไหนก็ไปไม่รอดนะหรือรถ ด, ดีมากแต่ว่าคนขับไม่เก่งเดี๋ยวก็ไปเกิดอุบัติเหตุก็ไปไม่รอดเหมือนกันเพราะฉะนั้นร่างกายของเราถ้าหากว่ามันดีเกินไปแต่ใจไม่ดีใจไม่ได้ฝึกฝนก็เหมือนรถ ด, ดีแต่ว่าคนขับไม่มีไม่รู้กดจด้จร หมายของว่าถ้าเราไม่ได้ฝึกวิปัสสนาไม่ได้เจริญสติปัญญาไมไ่เจริญภาวนาไปด้วยเนี่ยร่างกายเราดีเราก็เอาร่างกายนีย่ไปเสพสุขกับก ร, รมคุณทั้งหลายนะแต่ถ้าหากว่าร่างกายเราไม่ดีและจิตใจเราดีมันก็มีเวทนาบังคับจะทําอะไรเต็มที่ก็ไม่ได้เวทนาทางกายบังคับเป็นโรคไข้ไข้เจ็บทักษาไม่เป็ น, นก็ขัดกันทั้งสองอย่างหละ เพราะนั้นปรับทั้งรูปทั้งนามทั้งกายทั้งใจเนี่ยให้มันสมดุลให้ดีได้อย่างไรยพยายามอย่างสูงสุดให้เต็มที่เพรา ะ, ะนั้นการที่ร่างกายเราจะดีไม่ได้อยู่ที่อาหารไม่ไดอยู่ที่เรื่องอาหารเสริมอาหารดีแต่อยู่ว่ากินอย่างไรให้ดูว่าธาตุสีเขารับได้ไม่ได้ถ้าอาหารดีถ้าไปขัดกับธาตุสีเนะีเป็นพิษต่อดินน้ำลมไฟในร่างกายของเราอาหารนั้นก็ไปทําร้ายเราแต่ถ้าหากว่าเรารู้จักเลือกอาหารที่สะอาด ไปสูรังกาอาหารนะอาจจะไม่อร่อยอาจจะนั่งกินผักสดๆเคียวผลไม้สดๆ ด, นะดื่มน้ำที่สะอาดไม่ใช่น้ำปรุงแต่งน้ำผลไม้เป๊ปซี่โค้ลาโอวนตินกาแฟอะไรเป็นน้ำบริสุทธิ์เนี่ยเป็นยาดีที่สุดนะแล้วก็อากาศดีนะออกกำลังกายดี3 4ีอย่างเนี่ย ร่างกายแล้วก็จะฟื้นฟูร่างกายนี้ถ้าหากว่ามันได้ธาตุบริสุทธิ์นะเขาจะเยียวยาของตัวเขาเร็วมากแต่ถ้าหากว่าธาตุสีไม่บริสุทธิ์เนี่ยเขาจะเจ็บป่วยทั้งปีแล้วเราก็ไปอาศัยายายาเป็นตัวปลายเหตยุยาหมอเนีเป็นตัวปลายเหตุต้นเหตุต้องอยู่ที่เราว่าเราดูแลเขาเป็นไหมแล้วก็ไปโทษที่กิเลสตัณหานะเพราะความอยากทําให้เกิดทุกทุกระดับเพราะความอยากทําให้เรากินตามใจกินตามรส เพราะความอยากเราจะวิ่งสแสวงหารถที่ดีรถปรุงแต่งเพราะความอยากเราถ้าเขาม่คิดปรุงแต่งเกิดอันนี้เดินเกิดความเครียดเพราะความอย า, อยากอย่างเดียวเป็นตัวปัญหาหนักนั้นพุทธเจ้าตรัสรู้ครั้งแรกท่านชี้หน้าความอยากเลยนะเขาเรียกว่าที่เราสวดคาถาปฐมพุท ธ, ธนนะอุทานอเนกาชาติสั่งซารังสันทาวีสั่งอา น, นิพิสั่งคหาการังคเวสันโดทุก ข, ขาชาติปุณปุณัง ขหการกาติโตสีปุนาเฮหังนกหาสิสภาเตพาสุกาภาคาขหกูตังวิสังคาตังวิสังคารกาตังกิตตันตันท่านังขยมวิจารคท่านอุทานวังนี้เลยนะถ้าแปลภาษาไทยแล้วก็เมื่อเราไม่มีสติไม่เกิดญาณปัญญาไอ้ตัวอยากเนี่ย บังคับใช้เรามาตลอดไม่รู้กี่พบกีชาติอนเนกชาติอนเนกชาติสังสารังตลอดการท่องเที่ยวไปเป็นไม่รู้กี่พบกีชาติกี่หมื่นกี่แสนชาติเพราะความอยากนี่เป็นผู้บัญชาการเรามาตลอดวันนี้เราเห็นเจ้าเลาแล้วเจ้าจะมาบัญชาการเราไม่ได้ขหาการการที่โทสิปุนาเคหังนาคาหาสิวันนีเ้เรารู้จักเจ้าเสร็จแล้วเจ้าจะมาทําความคิดทำบ้านทำเรือนทำไม่ได้อีกต่อไปคือพบชาติที่คิดขึ้นมากขาบ้านเรือนของความอยาก คิดถึงมาเรื่องหนึ่งอ่ะนะสร้างบ้านให้มันแล้วมันก็อยู่แล้ยลองรอยสบายอยู่ในใจคิดถึงนั้นเรื่องนี้เข้าออกอยู่งั้นสร้างบ้านให้มันบัดนี้โครงเรือนของเจ้าเราหักเสียแล้วยอดเรือนเราก็คือโคงเรือนคืออะไรโคงเรือนก็คือขันห้ารูปเวทนาสญาสังขารมียานเป็นโคงเรือนของตันหายอดเรือนก็คืออะไรวิชาตันหาบทานกรรมเป็นย่อดเรือนเราไดื่ื้อทั้งสองอย่าง มีสังขาระกร ต, ต, ตันกิจตานตัญหาหนังใกล้มาจะจิตของเราได้ถึงแล้วสภาวะที่ไม่ปรุงแต่งมีสังขารไม่ปรุงแต่งอะไรไม่ได้คือถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปของความอยากนั่นคือถึงนิพพานเห็นไหมความจริงจิตของเราไม่ได้อยากตลอดเวลานะเพลศติข้างหนึ่งมันอยากข้างหนึ่งท่านเองเพลิติปัญญาข้างหนึ่งมันอยากข้างหนึ่งอยากแต่ละครั้งนั้นหมายความว่าพบชาติเกิดครั้งหนึ่งสร้างบ้านให้กับตัญหาครั้งหนึ่งแล้วเมื่อไรมันจะจบ แต่ถ้าเมื่อไรรู้ว่าขณะนี้ไม่มีความอยากขณะนั้นจิตถึงนิพพานทันทีนะแต่นิพพานน้อยๆเนี่ยพอเพิออยากเอานิพพานหายไปสังสารวัฏเกิดอีกพอเพิออยากนิพพานหายไปสังสารับก็อยู่อย่างเนี้ยแล้วเมื่อไหรเราจะให้เนื้อที่นิพพานมากๆขึ้นสํารวจความอยากของเราอยากเล็กเล็น้อยเอาหมดนะอยากจะลุกอยากจะนั่งอยากจะไปทั้งที่ใชไม่จําเป็นน่ะความอยากที่ดูว่ามันจําเป็นหรือไม่จําเป็น นะถ้าไม่จำเป็นเราทาตามมันมันก็ต้องคิดกันนะหลายเรื่องเลยสำรวจด้วยให้ดีเราอยากจะกินนั้นอยากกิทั้งท้ที่ท้องไม่หิวนะนึกอยากจะกินนั้นยึกอยากจะไปตรงนั้นทั้งทที่ไม่จำเป็นมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแต่ว่าไม่เหลือวิสัยนะทำได้เรได้เวลาบิณฑบาตขันวุ่นสำหรับพระที่จะ ไปก็นุ่นหลังเพลงวันนี้นะก็มีสี่องค์นะท่านวิษณุท่านา ส, าสุวิทย์นาอนอมรแล้วก็ท่านแดงสีููรองนั้นก็อยู่ข้างล่างแล้วผมก็จะพาปฏิบัติข้างล่างด้วยข้างบนด้วยสลับกันเอาแล้วอยู่ข้างบนล้อสององค์มันจะเป็น6 7เจทั้งมันมีแค่เจที่ยมอีกสองที่เป็น9ที่น่ก็หลังเพลงนะเห็นแล้วขึ้นไป ออกมาก็จะขึ้นเช้ากับเย็นมาแต่เย็นน่า จ, จะเป็นกวดสอบอารมณ์พระเสรอาจจะสองทุ่มสามทุ่ก็ได้นะก็มานอนหรืออาจจะลงมาตอนเช้าก็ได้นี้แล้วแต่เหตุปัจจัยแต่ว่าลงมาทันช่วงเช้าช่วงเช้าเป็นช่วงสำคัญช่วงการปรับท่าสีช่วงการปรับอารมณ์ให้เป็นปกติดูแลร่างกายดูแลจิตของเราให้ดี คือดูแลรูปนามอะรูปมันก็เป็นธรรมนะนามมันก็เป็นธรรมแล้วถ้าหาว่าไปทําต่อรูปไม่ดีรูปไม่เป็นธรรมนามก็ไม่เป็นธรรมเหมือนกันแล้วรูปทํานามธรรมดังนั้นเองก็อยากจะให้ท่านทั้งหลายได้ศึกษาได้ศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วในช่วงออกกําลังกายภาพเราที่จะขึ้นธรรมอย่างเพิ่งไปนะครับเรเดี๋ยวจะชี้แจงกัน นั่งฟังศึกษาธรรมะร่วมกันครับโยมเขาก็ฟังอยู่เราก็ศึกษาไปด้วยแต่คนที่ไม่คนไหนไม่ไปบินธบาติก็นั่งอยู่ก่อนนะครับ อ, อันนั้นเพื่อที่จะให้เราได้เรียนรู้ในสิ่งที่ดีเพื่อให้เราได้ฝึกฝนตนเองเพราะการขัดเกลารตนเองเนี่เป็นเรื่องที่ยากนะแต่ก็ทําได้นะขัดเกลาไปที น, นิดเหมือนกับท่านบอกว่าอะไร เหมือนกับลูกศรนน่ะลูกศรที่ถ้าหากมันโค้นนิดหนึ่งถ้ายิงเลยมันเฉยนะเสียศูนย์นิดหนึ่งยิงมันเฉมันก็ต้องเอามาเหลามาแต่งเผาไปภูฏิยา ท, ท่านตัดไว้อย่างว่าผันท่านังจะปรังจิตตังทุลักขังทุนนิวารยังอ่าทุลักขังทุนนิวารยังอุชุงกะโรติเมทาวีอุชุกะโรจะเดชนังเพราะจิตเนี่ย ผันทนังจะบังจิตต่างว่าจิตเนี้ยมันกลับกรอกดิ้นโลนพลิกแปลงง่ายไวแล้วก็เร็วทุลขังทุนิวาระยังรักษายากห้ามยากดูแลยากอุชุงกโรติเมทาวีว่าคนมีปัญญาเท่านั้นจะทำจิตนี้ให้มันตรงได้อุชุงกโรติเมคนมีปัญญาเท่านั้นฟังดูให้ดีนะคนมีปัญญาเท่านั้นจะทาจิตนี้ให้ตรงได้ อุสุการจจเตชนังเหมือนกับช่างสอนที่ดัดลูกศรที่มันโคตรให้ตรงได้วิธีดัดลูกศรให้ตรงทําไงเคยเห็นไหมในสมัยเราคงไม่ไม่เคยเห็นนะเนาะแม้แต่หน้าไม้ลูกศรเคยเห็นไหมที่ดัดลูกศรให้ตรงอย่างพ่อใหญ่พ่อใหญ่ออก็เปนคนในเมืองก็เขไม่เคยเห็นเหมือนกันนะเนาะอย่างพ่อใหญ่สุดพ่อใหญ่ลีนี่เคยนะ ใหทําน้าไม้เหตุยังไง่อ่านั่นลูกหน้าไม้น่เหตุยังไงให้มันตรงเราเรื่อย่างโคตอยู่ด้มันบ่เอาเอามาล้นไฟล้นบไใดมันโคตก็ล้นมันบ่ล้นก็ดัดล้นก็ดัดอ่าอ่าลุนไฟเริ่มมาลิงก์ลิงก์ก็ดัดจนจนตรงยิ่งจะเข่าเปะอ่าเหตุลูกโซ่เหหน้าไม้ยิ่งสัต เส้นเดียวกันนะการทําจิตให้ตรงเนี่ยต้องเผาต้องลนนะเพระจิตของเราเปนโคดใช่ไหมผันธานังจะวะรงังจิตตังจิตเนี่ยโคดไปโคดมาคิดน่นคิดนี่ดิน่นหลนห้ามยากรักษา ย, ยากที่จะทำไงให้มันตรงอะ่ะก็ขัดเกา่าขัดเก่าก็เหมือนขัดเก่าอะไรที่มันเป็นความอยากขัดออกไปทำไม่เสมออ่าทำไม่เสมอกันดปวยความอยากก็ขัดออกไปความยากก็ขัดออกไปทีนี้พอ ขัดแล้วเหลา แ, แล้วมันก็ยังคตอยู่นี่ยต้องมาลนไฟลุนดัดลนดัดเขาว่าลนไฟนี้ก็คือการใช้ตาบะการนั่งสร้างจาังหวะเดินจงกรมนี่คือตาบัตรเออล่องมันอีกอล่องเนี่ยหน้าไม้เนี่ยเหมือนสมาธิลูกมันเนี่เหมือนปัญญาล่องมันเหมือนสตินะสติสมาธิปัญญาทํางานสัมพันธ์กันเหมือนลูกสอนถ้าหากล่องไม่ตรงลูกไม่ตรงมัน ก, ก็ไปไม่ตรงอ่า แล้วก็คนยิงเนี่ยท่านบอกต้องมีสมาธิิคือยิงได้แม่นยิงได้ถูกคนที่จะยิงจิตยิงกิเลสให้ออกจากร่างกิใจของเราคนนั้นจะต้องมีสมาธิิสติสมาธิปัญญาที่เกิดจากสมาธิิเท่านั้นนะแต่มีสติสมาธิปัญญาถ้าไม่มีสมาิเนี่ยก็ไปคนละเรื่องเลยเฮ้ยคนละเรื่องที่นี้สมาธิิอามาพูดบ่อยแล้วจะไม่ย้ำ <c oughs> น, นั่นเองจะทํายังไงให้สติสมาธิปัญญาให้เป็นสมาธิทีสมาธิเหมือนลังหน้าไม้ลูกศรลังใหญ่เลยนะตรงสติเหมือนล่องแล้วก็ไกที่มือเหนียวแล้วก็ปัญญาเหมือนลูกศรที่วิ่งไปแล้วกิเลสมันเป้าที่จะยิงให้ตกเป่าข้างหน้าทีนี้ไอ้เป่ามันเล็กๆใช่ไหมไอ้นนก็เป่าวงๆไป เหมือนเด็กเข้าไปงานวัดอ่ะเขามียิงสนนั่นนะฟังสนเออแล้วก็ไปการพันนันไปนั้นเราจะเห็นว่าหลักของธรรมที่เป็นรูปธรรมนามธรรมเนี่ยไม่ต่างกันหลักอันเดียวกันนั่นแหละแต่เนื่องจากเรายังไม่เห็นธรรมเลยโนมาปฏิบัติไม่เป็นโนมาศึกษาไม่เป็นยังไม่โอปัยิโกไงนั้นเราจะทำยังไงถึงโอปัยญิโกก็คือจะต้องปฏิบัติให้มากศึกษาให้มากทำความเพียรให้มาก ทำมากเพื่ออะไรเพื่อดัดจิตให้มันตรงแต่ถ้าจิตมันตรงแล้วนะไม่ต้องเพียนมากก็ได้จิตมันตรงรู้ได้ไก็ว่าจิตตรงสติตรงสมาธิตรงปัญญาตรงรู้ได้ว่าเมื่อมีความคิดอารมณ์เข้ามาจับใจเมื่อไหร่นะ ก, กําหนดรู้หลุดทันทีตอนนี้เราได้ขนาดนั้นหรือยังพอมีความคิดความปรุงแต่งมาเข้าสู่จิตปัสติกําหนดรู้หลุดไอการที่สติกําหนดรู้เรามันหลุดนั้น หายไปนั่นแสดงว่าลุดยิงถูกแล้วยิงถูกถูกเป้าแล้วแต่ที่กําหนดแล้วยังไม่กําหนดแล้วคุยยิงยังชิดเฉยเลยใช่ไหมยิงไม่ถูกเป้าแต่จะห่างเป้าขนาดไหนก็แล้วแต่จังหวะแต่บางคนกําหนดสักพักหนึ่งถึงหยุดอันนั้นหมายความว่าไม่ไ ม, ไม่ไม่ห่างเป้าเท่าไหร่บางคนกาหนด พ, พักหนึ่งถ้ายิ่งนานไปนะั่นหมายความว่าวงกลมมันห่างจากลัษมีเป้าไปเรื่อยๆถ้ามันเฉียวเฉียนนะอ่า เก็บถูกอ่ะไม่โดนตำรวจไปพักหนึ่งมันยังไม่หลุดทันทีนะพอทนไปอีกพักหนึ่งหลุ ด, ดนั้นต้องใช้อะไรใช้ความอดทนคืออย่ายิงครั้งเดียวถ้าเรารู้ว่ายิงไม่แม่นจะยิงยิงหลายๆครั้งเดี๋ยวมันเข้าเองเน <c oughs> ีให้ความพยายามความคิดมันเข้าไปแล้วเนี่ยบางทีตำรวจบางครั้งเดียดดเด๋ยวไม่หลุดกำรวจมาหลายๆครั้งเดี๋ยวมันหลุดนะอันนี้นอกจากไม่ตำหนดแล้วเป็นไง คิดไปเลเปื่อยไปเลยนั่นหมายความว่าไม่ได้ยิงแล้วนะลุยถูกยิงถูกมันยิงไอ้ทีนี้ถูกถูกฝ่ายตรงข้ามยิงเหรเคยมีนะบ้านอาตมาเขาไปล่าสัตว์นะล่าไปล่ามามันไปเห็นอีกฝ่ายตรงข้ามมันก็นึกว่าเห็นนะเห็นนี่ตามันแดงๆใช่ไหมก็นึกว่าเห็นมันยิงไปเอาที่ไหนได้ยิงกันเองอ <laughs> นั่นแหลาเรียกว่าวานครั้งก็ถูกยิ ง, นงเ น, อองนเองีอันนี่ก็มีเนาะเยอะยิงกันเองอันนี้เขาเรียกบาปบาปของสัตว์ที่ไม่ที่ไม่ไปทำเงินตอนนี้เราจะจะเชีย้ยเห็นว่าการเจริญสติสมัมปชัญญญาเนี่ยทําให้สติมันถูกนะทําให้สมัมปชัญญะมันถูกทําให้ปัญญามันถูกที่เรารู้ไงว่ามันถูกก็ตรงที่ว่าเมื่อเอาสติสมัมปชัญญามากําหนดอารมณ์และความคิดที่มันเกิดมันหลุดทันทีทํามันหลุดทันที มันไม่ลอยแต่ยิงแล้วมันยังลอยเฉยอยู่มันยิงโป๊ะนกบินหนีเฉยเลยไม่ทันนกนะไม่ทันนกอ่าเพราะฉะนั้นยิงต้องแม่นต้องตรงแล้วก็ทันทีนี้พ่อใหญ่เคยไปหานกใช่ไหมเรารู้ได้ไงว่าไปหานกกลคืนเ น, น่ยเออไปกั้นนกหรือเป่าไปยามนกเรารู้ได้ไงว่านกตัวนี้มันเกาะโดยรู้ได้ไงพ่อใหญ่สุดมีประสบการณ์ไหม บางทีเราไปหายิงนกในกคืนนะไปกั้นนกะนะเรารู้ว่ารู้ได้ไงมันมันไอ้นกตัวนี้อยู่ ร, รู้ได้ไงนี่แสดงยังไม่มีประสบการณ์นะามาเป็นเด็กกว่ า, ามารู้นะ <c oughs> มันนอนอไ ม, ม่มันรู้ได้ไงว่ามันนอนตรงนี้ครับเพราะว่าองเยนลาอันนี้ยังไม่ไม่ถูก อ่านั่นถูกต้องแล้วพ่อใหญ่สุดมันนอนตรงไหนมันขี้ตรงนั้นไปดูขี้มันว่าเนี่ยมันนอนตรงนี้ขี้มันอยู่ตรงนั้นอแล้วมันแค่กลับมานอนตรงนั้นอ่ะกลับมานนที่ตอนกลางวันเราไปดูไอ้มันขี้นกมันตกอยู่ในนี้เยอะใช่ไ้มตอนกลางคืนเราก็ไปส่องเอาตรงนั้นแหละอันนี้ก็เหมือนกันนะคนเราเนี่ยที่มันถูกยิงตายเนี่ยเพราะอะไรที่มันถูกเกียรติยิงตายเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันคิดเรื่องเก่าซ้ําๆำซักซ มือนโนมันขี่ไงเห็นไหมมันคิดเรื่องอดีตซ้ำซ้ซากเหมือนโนบุนคี่ตรงนั้นซ้ำซากเขาก็รู้ดิขี่เรื่องนี้ไอ้มารมันก็รู้ดิอะไรค่อีเรื่องนี้ไว้จำมันก็เข้าตรงนั้นมันก็ยิงเราตรงนั่นแหละถ้าเราไม่คิดเรื่องเก่านะมันมารเราจำไม่ทันเนาะมารไม่เห็นตัวอ่าเมื่อใดถ้าเราคิดปรุงแต่งมารเห็นตัวทันทีถ้าเราคิดเรื่องเก่าซ้ํซ้ซากมารก็รู้ว่ามันนอนตรงนี้แหละไอ้คนเนี้ยเดี๋ยวก็างคืนกูมายิงมั้ ลักการนั่นเดียวกันเปี้ยเลยอันนี้ามาโอ้โหธรรมะของพุทธเจ้านี่อัศ จ, จรรย์จริงๆอธรรมะของพุทธเจ้านี่วิเศษอัศจรรย์จริงๆอนนี้ธรรมะดูว่าโอ้โหต้องปฏิบัติพุทธศาสนาอย่างสุดหัวสุดเก้าก็พาพูดอย่างนี้แหละศาสนาอื่นไม่มีสอนนะไม่ว่าคิดอิสลามพาม์หินดูอะไรไม่มีนอกจากพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาสอนเรื่องปัญญานะเพราะฉะนั้นเราต้อง ฝึกฝนปัญญาให้มากฝึกฝนปัญญาก็คือทำอะไรอย่างมีสตินี่แหละไม่ใช่ไปนึกไปคิดอะไรให้ยากหรอกฝึกทําอะไรให้มันมีสติรู้ตัวว่าทํานะล้างจานถ้ามีสติในการล้างปัญญามันก็เกิดถูพื้นถ้ามีสติในการถูปัญญาก็เกิดเพราะปัญญาเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติเออสติเป็นเหตุก็ให้เกิดสัทธาปัญญาถ้าหากว่าเรากําหนดสติไม่ถูกปัญญาก็ไม่เกิดนะ มือทำตรงนี้ใจไปคิดตรงนั้นอะไรเกิดอยู่คนละที่ก็ทํางานอยู่ตรงนี้อใจไปอยู่ตรงนั้นหน่อยอยู่คนลที่ตรงนี้ตันหามันเกิดความอยากมันเกิดเมื่อไหร่กูจะเสร็จสิทธีว่ากูล้างคนเดียวกินกันทั้งหลายคนเนี่ยมันอยากคิดไปแล้วใช่ไหมออพอเช็ดบ้านก็ใจไปคิดถึงคนอื่นบ้านอยู่กันทั้งโขงแต่เวลาทออําความเงากูทําคนเดียว ตันหายกิเลสมเกินก็กด่ากันไปนึกแช่งคนนั้นไปนึกจมคนนี้ไปใช่ไหมไไอเออกูไม่ได้กูไม่ได้ไไดกูยิเสร็จกูจะได้ไป อ, อ, อาหารกินทั้งขงถึงกูทำคนเนียเห็นไหมมันคี้หละมันไม่ได้อยู่กับที่อะแต่ว่าถ้ า, าเราจเจริญสตินะเาใครจะกินไม่กินใครอกูเจริญสติลูกเดียวทำไปตามหน้าที่ให้รู้สึกตัวอามาได้สติตรงนี้เมื่อไหร่รู้ไหมเมื่อปีสองห้าสองห้า มาไปเข้าปฏิบัติอยู่ที่วัดภาราดจังหวัดเชียงใหม่ทุกวันเนี่ยต้องถูกุฏิด้วยตัวเองเนี่ยตีบกว้างถูแล้วมันเหนื่อยถูกุินีนะเหนื่อยอนี่เราก็เจริญสติได้ทำไมเราเหนื่ยวันหนึ่งมันได้สติเอา้าเราก็าาปฏิบัติแบบเคลื่อนไหวแล้วไอ้ถูพื้นน่ยมันก็เคลื่อนไหวทำไมเราไม่เอามาใช่ล่ะได้สติเลยทีเนี้กอเลยกําหนดตั้งแต่ลุกขึ้นถ้าจะถูลุกขึ้นรู้สึกตัว แล้วก็สติตรวสอบไปตลอดนะในช่วงที่เคลื่อนไหวไปหาผ้าขคลิ้วอ่าจับรู้สึกตัวยกผ้าคลิ้วขึ้นมาจะไปหาอะไรไปหาตุ่มน้ำอ่าการเดินไปหาตุ่น้ํารู้สึกตัวรู้สึกพอหาตุ่มน้ําแล้วเอาลงในกละมังแล้ซักซักรู้สึกตัวให้รู้สึกถ้าเผลอคิดแปเดินดึงกลับทันทีนะรู้สึกบิดผ้ารู้สึกซักผ้ารู้สึกแล้วค่อยๆเช็ดรู้สึกไป ประมาณชั่วโมงหนึ่งเนี่ยผ่านไปเหมือนไม่ได้ทําอะไรเลยโล่งโปร่งเบาสบายโอ้ตั้งแต่นั้นไปต้นมานะปี2525อเอามาเลยทํางานสนุกเลยทํางานได้มีความสุขด้วยพอเอมามารู้ว่าสติเนี่ยมันเหมือนกับมันเหมือนกับการเคลื่อนไหวของไฮโดรอลิกไฮดรลิกเนี่ยมันเคลื่อนไหวมันมีพลังใช่ไหมของมันหนักขนาดไหนแต่ว่าต้องไฮโดรลิกยกถ้าอย่างอื่นยกไม่ไหวไฮดรลิกแข็งไมโครใช่ไหม ยกดีหนักขณะไหนยกนเพือเท่าเดียวตัวสติก็ทําหน้าที่อย่างนั้นมันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นกลเครื่องเครื่องไอ้ไกลไกที่ทําให้มันทับของหนักให้เบาเสติถ้าเราสังสมไว้มากๆเหมือนกับไอ้เครื่องกลของเราเนี่ยมันมีพลังแล้วกลไกลที่ไปทำถูกจังหวะทําถูกพอดีที่มันดีเขาเรียกวปัญญาแต่การยกมือแต่ละครั้งนี่มีความหมายมากนะ เพะมาถึงทำตั้งแต่เข้าใจตั้งแต่นู่นมาจนถึงปัจจุบันสนุกตลอดนะถึงแม้ปัจจุบันจะรู้เรื่องอะไรแล้วก็ตามแต่ามาก็ยังทำเพื่ออะไรเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าบูชาครูบาอาจารย์ที่สอนเรามาถ้าเราไม่พบพุทธศาสนาไม่พบครูบาอาจารย์นะเราก็เป็นฝุ่นเป็นฝอยตกนรกไม่รู้กี่รอบแล้วงั้งนเถอะตกนรกมาเยอะแล้วงั้นเถอะรู้ได้ไงว่าเราตรนกนรกก็รู้ว่าเรายังยังร้อนอยู่ไง ไอเศษของความร้อนของนรกมันก็มันก็ยังอยู่รานนั้นจึงอยากจะให้ตั้งใจทำสติให้ถูกจเจริญสติจเจริญสตินะี่แต่ว่าใจไปอยู่ไหนไหม่รู้เจริญสติยี่ดีว่าใจอ้มอนีมืออึ้นนงกยิ่งไม่เหนนั้นนะั่นเพราะยีรีเพราะยดก็ปหนีแพ้นั่าเวาจะไปเห็นยังไงหมดละนี่ก็จะไปหามนั้นก็จไปทาหมอหั่นกจะไปเห็นหมอนั่ น, น, ป น, ป น, ป น, ปนไปหลายใจมันไปอยู่ผู้ละ เซลาเจ้าของเฮดยูนิบูฮูเมียได้เป็นบอกหูยูหู่อยหน่อยหูหน่อยหน่อยมันไม่ 100% ไงมันแค่ 5% 10% แต่ว่ามันออกไปสู่อดีตอนาคตเชื่อ้าสิถ้าเป็นไฮดรอลิกก็ไม่มีพลังไงนะยกไม่ขึ้นขึ้นแล้วก็อีกอันหนึ่งมันติดรถอยู่ประจำอ่ะเขาเรียกอะไร เวลาลถติดรถอะไรต่างๆก็ใช้นั้นน่ะยกเขาเรียกอะไรพ่อใหญ่วัดอ่าเครื่องยกเขาเรียกแยกใช่มที่เวลาลดติดแล้วก็ใส่เข้าไปก็ขยับเบาๆใช่ไหมแต่ลถขึ้นทั้งคันเลยเชื่ออันเดียวกันรักอันเดียวกันนายยกมือน้อยๆเงี้ยแต่ยกกิเลสเอาทั้งภูเขาเลยยกภูเขากิเลสได้ยกมือแค่เนี้ มันอานสิจันขนาดนั้นนะมาเลยเห็นคุณของมันถ้าไม่พบอันนี้นะมาไม่รู้ไปตกนรกอีกกี่พบกี่ชาติไม่รู้นะพบอันนี้ฮะ เ, เรก อ, อะไรนะพุ่งกีพุงกี่กอ่าแยกเอ่าเกตเพราะาฉะนั้นเอาหลักอันนี้ไปใช้นี่คือโอปัญญ ก, กถ้าโอปัญญิกเป็นนี่นะเราเจอธรรมะไปหมดก็ได้ดวงตาเห็นธรรม ได้ดวงตาเห็นธรรมหมายความว่าเห็นรูปธรรมเอาไปใช้กับนามธรรมได้เห <c oughs> <c oughs> <ç> ็นนามธรรมเอาไปใช้ก <c oughs> ับรูปธรรมได้เรื่องได้ดวงตาเห็นธรรมแต่ถ้ายังไม่ได้ดวงตาเห็นธรรมเห็นรูปธรรมก็คือรูปธรรมเอามาใช้ไม่เป็นยังไม่ได้ดวงตาเห็นธรรมต่อเมื่อใดเราได้เห็นรูปธรรมก็มาใช้กับรูปธรรมนามธรรมเป็นได้เห็นนามธรรมก็เอาไปใช้กับรูปธรรมเป็นได้แล้วกว่าได้ดวงตาเห็นธรรมบางคนก็เห็นน้อยคือประยุกต์ได้น้อยบางคนเห็นมาก เดี๋ยาเห็นทําไม่ใช่เห็นปุ๊บปั๊บทันทะีมันเห็นไวทีละนิดนี่แล้วแต่ปัญญาของเราว่าสามารถดึงข้างนอกมาฝึกข้างในได้ยังไงอย่างพุทธเจ้าท่านใช้เยอะเลยนะอย่างสอนพิกษูว่าจะขัดเกลาจิดได้ยังไงจะไอทำจิตให้ตรงได้ยังไทงทั่นก็ยกอะไรอุชุงกะโลติเมอุชุกะโลจะเตชะนังเหมือนช่างสอนดัดลูกศอนใช่ไหมก็ยกเหตุการณ์ที่ว่า ถ้าก็ใช้อุปกรณ์ง่ายๆนี่แหละสมัยท่านสอนนะมันไม่ได้มีศัพท์ภาษาบาลีสัญญีอะไรลุงลังขนาดนี้นะให้เอาเรื่องง่ายๆสมมติว่าเดินทางไปตามทางเนะี่ยไปเจอเตา่าไฟไม่ป่าลูกไปข้างนอกหรือยางไปไปไปลูกไปข้างนอกไปเจอเตา่าใช่ไหมหน้าแรงเนะี่ยไฟไม่ป่า ที่ในเต่ามันจะหนีไปไหนใช่ไหมมันก็หุบอัเยวะว่าหัวเข้าม ก, กลิ้งเลยกลิ้งหนีหนีหนไฟผู้ที่ยากไปเชื่อเข้าไปชี้ดูที่สุดเธอทั้งหลายให้ทําเหมือนเต่าโดนนี้แล้วเธอจะไม่เดือดร้อนไฟจะไม่ไห ม, ม้เธอทออําเหมือนเต่ายังไงเพราะถูกคนเราเนี่ยมีอายตนะหกใช่ไหมเต่าก็มีหกเหมือนกันนะขาสี่หัวหนึ่งหางหนึ่งใช่ไห ม, มเวลาไฟเข้ามันหดเข้าหมดเลยแล้วมันก็ กิ่งตัวนี้คนเราก็เหมือนกันถ้าสมมุติว่าสํารวมอายตนะหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเวลากิเลสมันเกิดสํารวมทันทีสํารวมเข้ามาไฟกิเลก็ไม่ไม้ดีแต่ น, นี้นอกจากไปสํารวมแล้วเป็นไงลุยมันเลย <c oughs> คิด ม, มันเต็มที่สนองมันมเต็มที่ตามทําตามเกตไฟเปไงท่วมตัวเลยเรียว่าตกแลกตกแล้วตกอีกก็ตรงนั้นแหละ คำว่ตาตกนรกไม่ใช่ตายไปแล้วไปตกนะไอ้จิตของเรามันร้อนขึ้นมาหล่ไฟนรกตริดปุ๊บเลยถ้ามันร้อนยาวหน่อยตกนรกนานหน่อยถ้ามันร้อนสั้นหน่อยอันตนลกตกนรกสั้นหน่อยนี่คือไฟนรกตัวจริงนะแต่ถ้าหากก็เราเรนไปตายนะไอ้ความร้อนอันนี้มันยังไม่หมดนะนั่นแหละไปเจอในรกของจรงิงแล้วคือตายไปไปเจอแต่ถ้าหากว่ามันดับก่อนมันดับก่อนที่เราตายหน่อยคำว่าตายไปกี่เพราะพิชัยไ ม, ไม่ไม่ตกนรกแล้ว เพราะอะไรเขาเชื้อมันดับแล้วอเชื้อมันดับแล้วพระพุทธเจ้าถึงรับประกันว่าบุคคลได้ดวงใจให้ทำตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปจะไม่ต้งนรกอีกคําว่าโสดาบันนี่หมายถึงว่าดับความคิดที่เกิดแจ้งขณะได้แค่ยีนะ้าเปซนต์นะต้นรองมันนะดับแล้วอีก7 5% ค่อยดับไปเรื่อยๆอโสดาสกินาคานะครับแล้วผู้ที่ดับไฟได้สนิทมากคือก็คือพระอรหันต์ โซดาบันดับได้แค่ยี้าซสกิทาคาม์บีดับได้ห้าสอร์ซหสอร์ซอนาคามีดับได้แปดสิบเ้าสิบอร์เซนต์บริร้อยซดับได้ไงอ ค, ความคิดร้อนหรือเาป๊อเอาสติกำหนดไปถ้ามันร้อนอยู่ดับอยู่อย่างนั้นอ่ะถ้ามันร้อนอยู่ดับอาจจะมันเย็นแล้วก็มีอะไรค่อยว่ากันแต่คนเราเป็นไงเวลาโกรธไม่พอใจขึ้นมาพูดเลยลุยเลยเพื่อนอ่ะพอให้ไฟเผาเลย ทีนี้เผาตัวเองไม่พ อ, อเผาคนอื่นต่อเผาคนอื่นเพราะคอนะคอื่นไปฟังเราก็ร้อนฉาแล้วเหมือนกันนะเพราะมันไฟนไปจากเราอะอาโอ้โหเรื่องนี้คำสอนพระพุทธเจ้าที่พิเศษ จ, จริงจริงนะบุญนะที่เรามาเจอนะแต่ก็บุญไม่มากชื่อแล้วไม่เอาชื่อแล้วไม่ทำนะนั้นเองก็อยากจะให้กำลังใจว่าอย่าปล่อยเวลาแม้แต่นาทีเดียวการกหนดรู้ แล้วก็ที่เราโชคดีที่สุดก็ไม่เจอวิธีการของพ่อเทียนเพราะอะไรเพราะว่าท่านใช้อุบายวิธีที่หลากหลายไม่ใช่ว่าเอาไปดูลมหายใจอย่างเดียวนะดูที่ท้องพองยุบอย่างเดียวนะดูพูดโทัอย่างเดียวนะไม่เอาอย่างนั้นเอามันทุกอย่างที่มันเคลื่อนไหวมาเป็นตัวกําหนดเอาการเคลื่อนไหวทั้งหมดมาเป็นตัวอุปกรณ์กรรมาฐาน แต่ว่าเคลื่อนไหวมือนี่เพื่อไนงะเพื่อตั้งสติเท่านั้นเองตั้งสติให้มันเป็นฉุดกลางก่อนแล้วเมื่อมันใจสติไป็นฉุดกลางปับ๊บไอ้ตัวอื่นที่มันเคลื่อนไหวมันก็รู้ไปเองเพราใหญ่สุดเคยเห็นในบางมุมไหมที่เราไปป่านะมันสารเป็นตะขา่ใหญ่เลยนะบางครั้งไม่เห็นนี่เอาหน้าไปประท้ามันติ่นหน้าเนินหน้าเอาออกยากที่สุดเลยนะเคยสังเกตไหมว่ า, าล่งใหญ่ๆเมื่อเด๋ตัวมันไปอยู่ที่ไหน อย <Aa. S 2> ู่อ huh. ย um ู่สฮอ่าทีทั้งทั้งยูมอน่ยูน่ยูเนนึงฮั้นรตจงวิ่งงตาาเอยๆ่าฮแต่ว่ามันอยู่กลางไม่ใช่เหรออยู่กลางลังอ่ามาว่าอยู่กลางังนะบางครั้งเท่านั้นที่ไปอยู่ข้างบนแต่ส่วนใหญ่ไปอยู่กลางลังไอ้ตรงไอ้เป้านันนะนี้ถ้าหากว่ามีอะไรมาปะทะตะข่ายปั๊บเนี่ยมันจะวิ่งไปจับเลยใช่ไหมพอจับเสร็จมันก็มาอยู่ตรงกลาง แต่วันนั้นนะถ้าหากมันขี้เกียจมันอิ่มแล้วนะมันจะบีอยู่ข้างบนใช่ถ้ามันมันอิ่มแล้วไม่อยู่อยู่ข้างบนแต่ถ้ามันไม่ไม่อิ่มมันไปอยู่ตรงกลางนี่เหมือนกันนะคนเราเนี่ยมีอายตนะทั้งหเนี่ยเหมือนกับลังไอสไปเดอร์เนี๋ยคือแมลงมุมเนี่ยจิตของเราเนี่ยสติของเราต้องมาอยู่ตรงกลางการไหน ไม่ใช่ศูนย์กลางกายเหนือเซลล์ของเดือว่ากลางหมายความกายทั้งใจนี่แหละระหว่างกลางใจกับกลางใจกลางใจกับกายคือระหว่างกลางกายกับใจเนี่ยระหว่างกลางเราจึงเอายกมือนี่ไงมาเป็นตัวกลางให้จิตมาอยู่ตัวกลางตรงนี้แต่ถามว่าขณะที่ยกมือเนี่ยเวลาปวดขาปวดแข้งปวดอะไรมันรู้ไหมรู้ใช่ไหมรู้แล้วก็วิ่งไปจับนั่นหมายความมีสิ่งมากระทบแล้วมาแรงมากระทบแล้วไปจับยังไง ถ้าหากว่ายังปล่อยให้มันเหมือเดิมโดยที่ไม่เปลี่ยนแปลงหมายความว่าเราจับไม่ถูกแต่ว่าโอ้ไอความปวดมันจับที่ขาปั๊บไปวิ่งไปจับปับ๊บความปวดทะลุเลยยังมแมลงถูกกินแล้วนี่เห็นไหมคือวิธีการดังนั้นหลวงพ่อโอ้โหวิธีการหลงพ่อเทียนนอกจยกคาสอนพระเจ้าวิเศษแล้วนะหลวงพ่อเทียนมาชี้จุดวิเศษเข้าไปอีกแล้วตรงเป้า ทีนี้เวลาเราไม่ได้ยกมือเราเดินน่ะเดินยกกลมตรงกลางอยู่ตรงไหนอยู่ที่เดินที่เดินที่เท้าสัมผัสพื้นเดินรู้สึกใช่ไหมไอ้ตัวที่รู้สึกตรงนั้นก็เรียกว่าตรงกลางที่ชาชันนี่นะแต่ถามว่าขณะเดินเนี่ยลำตัวมันเคลื่อนไหวทั้งลำตัวในรู้ไหมรู้แต่สู่กลางของตัวรู้อยู่ที่ตัวสัมผัสใช่ไหมเวลาล้างถ้วยอะ่ะจุดตรงกลางอยู่ที่ไหน อยู่ที่มือสัมผัสกับถ้วยใช่ไหมตรงกลางอยู่เท่านั้นในขณะยืนมาปวดหลังปวดไหลขณะล้างถ้วยยืนนั่งหรือ ป, ปวดหลังปวดไหล่รู้ไหมรู้มแมลงมุมคือสติตรงนั้นก็วิ่งเข้าไปจัดการทันทีขยับแขงขยับขาให้มันสบายใช่ไหมเนี่เห็นไหมนั่นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากเอามาถึงพูดไม่หยุดไงทําเรื่องเดียวแต่ว่ามันพูดกับคนหลายคนพูดกับคนหลายสถานภาพ พูดกับคนหลายประสบการณ์หลายสติหลายปยัญญาเรื่องมันก็เลยนี่ออกไปเรื่องมันก็เลยบานออกไปตามสถานรรรการณ์ ม, มันเจาะไม่ได้ถ้าจะเอาเรื่องสติเรื่องนี้ไปพูดกับชาวนาเนี่ยกับไปพูดกับ น, นักธุรกิจเนี่ยสติตัวเดียวกันพูดเรื่องเดียวก็ไม่ได้ชาวนาวก็ต้องพูดในแบบหนึ่งนียอย่างผู้ใหญ่สคนจะเนป็นชาวนาเกาต้องยกตัวอย่างไอ้แมลงมูมายกตัวอย่างไอ้น้าไม้มาตัว อ, อย่างเต่ามาเข้าใจใช่ไหมเข้าใจ แต่ว่าสําหรับคนในเมืองเนี่ยไม่รู้เพราะอะไรเพราะคนในเมืองไม่เคยเห็นนะไ ม, ไม่เคยเห็นเต่าถูกไฟไหม้ไม่เคยเห็นไอ้ไอ้สบาเดอร์ลังใหญ่ๆ <c oughs> นี่คือคือความแตกต่างว่าทําไมสติเรื่องเดียวมันมันออกไปเป็นหลายเรื่องก็เพราะว่าตามประสบการณ์ของคนนั้นๆ น, น, นะอันนี้คือพุทธศาสนาวิเศษตรงนี้ว่าสามารถใช้อุปกรณ์รอบด้านเป็นอุปกรณ์ในการสอน แต่เนื่องจากวัยยุคสมัยมันผ่านไปคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในรูปของภาษาต่างประเทศภาษาบาลีภาษาสันสกิตผู้ที่ไปศึกษาไปจํามาเนี่ยสมัยก่อนคนฟังออกภาษาบาลีสันสกิตแต่เดี๋ยวนี้คนฟังไม่ค่อยออกถ้าคืนเอาภาษาบาลีสันสกิตมาสอนกันมันก็ยิ่งเข้าป่าเข้าเมืองไปเลยเราไม่เข้าใจแต่ว่าอุปทานในขันทั้ง5คือรูปเวทานาสชญาสังขารวิญญาณ แค่นี้เราก็มงแล้วใช่ไหมมันพนภาษาบาลีทั้งนั้นเลยอุปทานก็บาลีขันหาก็บาลีดูเวทนาสัญญาสกันบาลีหมดคุณเห็นไหมมันยากอะ่ะแต่ถ้าจะพูดภาษาไทยว่างไงเมื่อเรามีความยึดถือยึดมั่นถือมั่นในตัวเองเมื่อมีอะไรมากระทบมาแตะต้องเราก็ไม่พอใจแค่นี้นจบเข้าใจก่นใช่ไหม อเมื่อเรามีความยึดถือว่ากลัวเราเราเขาอย่างเราเป็นพ่อใหญ่ลิถ้าลูกมันมาถามขึ้นไอขึ้นกูขึ้นมึงกับพ่อใหญ่ลิเป็นไงตื๊บขึ้นเลยใช่ไหมโอ้โหกูเป็นพ่อมึงนะมึงใช้อั้ตาเกิดทันทีใช่ไหมเออกูเป็นพ่อมึงนะทันทีเลยใช่ไหมอ่าเห็นไหมมันยึดตรงไห น, นอุทานตรงไห น, นอุทา น, น, นกูเป็นพ่อมึงนะั่นแหละ เออในอะไรในอุปทานและอะไรสร้างอุปทานขันห้าใช่ไหมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าหากก็อุปทานไม่มีขันห้าเนี่ยมันเกิดไม่ได้ไงเขาเรียกโครงเรือนหรือบางทีแฟนเราใช่ไหมโอยไปหางเงินยังไงมืดอนิมือมื้อใดเจ้าหนิโงแทนะก็ังไงหิวก็หิ้วเข้าก็อยากกันหมดเตื้อขึ้นบมดเลยว่าไม่ขวดจาย์ได้ก็เวียงกันเลยวันนี้เห็นป่๊นี่อุปทานในความเป็นผัวอุปทานในความเป็น หรือลูกศิษ์อาจารย์อาตมาไปสอนพระเนี่ถ้าพระเกิด อ, อุปทานปั๊บพระก็ไม่พอใจแล้วก็าบอกว่าเราแทบนบรมเป็นฟองเป็นกูดย้ย <c oughs> <c oughs> ใส่ใ น, นก็อุปทานใช่ไหมดูมาเห็นไหมรุนแรงมากอุปทานดังนั้นตรงนี้เราจะพ้นมันได้ยังไงก็มีอย่างเดียวคือเจียจางตัวสติสมาธิปัญญาเข้าไปเหมือนน้ำเนี่ยเกลือแก้วหนึ่งนะเค็มจัดมากเลยกินไม่ได้ ถามว่าจะให้ทําไอ้เจ้าเกลี่แก้วเนี้ให้มันจืดได้ไงฮะต้อให้มันจืดด้อเข้มขึ้นเขาเข้มขึ้นเขาเออต้องว่เอาน้ําเปล่าเนี่ยผสมลงไปมันถึงจะถูกสมมติเกลี่เค็มหนึ่งแก้วเนี่ยถ้าน้ําสงป่าเข้าไปสักสิบแก้วยังเค็มอยู่ไหมยังไร้รดเปล่าเปล่อยู่ใช่ไหมเติมลงไปสักหลอยแก้วเป็นไง ได้รถเกลือไหมไ ม, <ๆ>ไม่มีรถเลยนี่ทําเกลือให้จืดนะฉันได้ก็ดีก็รู้ว่าอาวิชชาฐันหาบุธธรรมันเหมือนเกลือมันเค็มจัดใช่ไหมสติสมาธิปัญญามั น, มนเหมือนน้าก็เติมไปตัวนี้ลงไปดิเติมไปเยอะๆแล้วอวิชชาฐานหาบุธธรนจะเหลืออะไรเหมือนเกลือแก้วนั้นใช่ไหมจืดสนิทเลยดีบริปัญญาอีกนะฮะปัญญาอีกต่างหากแต่ถ้าหาว่ามันไม่ได้เติมน้ําบริบริมันไม่ใช่ยาพิยาพิทักษกัดไส้เราขาดอีก ใช่มีประโยชน์ใช่เห็นไหมสิ่งเดียวกันสมามารถไปได้ทั้งโทษและประโยชน์แต่อยู่ที่ว่าเราใช้สัดส่วนอ่าดังนั้นจะเห็นว่าโอ้โหมันช่างสุขโชคดีอะไรนี่เกิดมาพูดในศาสนาเนี่ยเกิดมาพบวิธีการเกิดมาพบครูบาอาจารย์เกิดมาพบสถานที่ที่ดีวิเศษมากแต่เราก็ยังไม่เห็นคุณเห็นค่าเนี่ยอาภัพนะอ่อภั พ, น ะ, ะภพนะเพราะฉะนั้นอย่าให้ตนเองเป็นคนอาภัพอับโชค ตั้งใจที่จะปฏิบัติทําความเข้าใจ <c oughs> อันนั้นเองมาเองก็เรียกว่าได้รับอันนี้สงูงอนนี้มาถามว่ามาพ้นหรือยังยังไม่พ้นกิเลนยังเยอะอยู่แต่มาเนี่ยยังไม่พ้นเราเยอะอยู่แต่รู้จักมันอยู่รู้จักมันประมาณในรูปไหน <c oughs> จัดการมันได้อยังไม่พ้นหรอกไม่ใช่ของพ้นง่ายๆนะผู <c oughs> ้ดีเจ้าท่านบําเพ็ญทำมาตั้ง 40, สี่หมื่นอาศุนไคเนี่ย ไอเราจู่ๆมาทําให้พ้นมันแต่ทําให้มันเบาบางได้ทําให้มันดีขึ้นได้แล้วเราจะรู้ของเราเองเราพ้นไม่พ้นให้พ้นที่ละขณะไปก่อนไอกรุณาขนาดนี้กําหนดรู้มันพ้นแล้วความหลงมารู้นั้นเอาพ้นแล้แต่ถ้าขาดสติเป็นไงเมื่อกี้มันพ้นนแต่เดี๋ยวมันไม่พ้นอ่ะนะเดี๋ยวนี้มันติดมาอีกอ่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นผูธที่จะสอนวิพัชชวาทั นะคำสอนเพื่วิพัฒชวาวัคือว่าแยกพูดไม่ใช่พูดรวมทั้งหมดแล้วคณิกววาวัฏแยกทีละขณะไม่ใช่ทั้งหมดนะส่วนไหนบางครั้งเราก็ขาดสติกิเลสมันเกิดเหมือนเดิมบางครั้งเรามีสติกิเลก็หายไปแล้วก็พ้นไปหลุดพ้นไปขณะไหนที่เราขาดปัญญากิเลสมันก็มาเหมือนเดิมอ้าวเข้าไปสู่วัฏสงสอดิในขณะไหนเรามีปัญญามาทันอากิเลหมดไปขณะนั้นหลุดพ้นหลุดพ้นทีและขณะ ทีละขนาแต่ถ้าหาหลุดพ้นได้สิบเซมันก็สบายสิบหลุดพ้นได้เก้าสบมันก็สบายเก้าสบซพ้นจากอะไรพ้นจากสิ่งที่มากระทบเนี่ยถ้าสติยังไม่สมบูรณ์สามัญชนญาไม่สมบูรณ์นะมันดับไม่ได้หรอกกี่เด็ดเอ า, อางี้ถ้าหากว่าพ่อใหญ่ไปป่านี่นะไปทิ้งก้นบุหรี่ลงทึงที่ป่าเนี่ยเกิดอะไรขึ้น ไปไม่ดับใช่ไหมอ่าแล้วก็เดี๋ยวก็ลมมาวิวีวีมาไอจุดน้อยๆนี้ยนะดิ้ดพึบเลยทีเนี้ยไม่ไปอ่าไม่เพราะก้นบุหรี่อันเดียวนะทําลายสัตว์ไม่รู้เท่าไหร่ทําลายป่าไม่รู้เท่าไหร่ทาลายอากาศบริสุทธิ์ไม่รู้เท่าไหร่ก้นบุหรี่อันเดียวนะเพราะอะไรเพราะขาดความรับผิดชอบแล้วประเทศไทยเราเป็นตรงนี้มากที่สุดถ้ามาหน้าคุณพามีนาเมษาประเทศไทยในร้อนที่สุดเพราะอะไรเพราะมันเผาป่ามันไปเพิ่ม ภานะพที่เขาบอกว้อนเลยนะโอโูนเราขาดกาจช่วยหายใจแล้วนะไอ้เพิ่มตัวที่เข้าไปอีกคนไทยของเราจึงเป็นคนร้อน่ไงเพราะความร้อนมันสูงคนร้อนแล้วก็สุขภาพไม่ดีพเพราะเผาตัวเองทั้งนรกทั้งภายนอกภายในเผ า, ากันแล้วมันจะมีเหลืออะไรที่ยกเรื่องนี้มาก็อย่างนี้ถ้าสเก็ดของอารมณ์ที่มีโสกตกลงไปดิดนะแต่ใจในะขณะนั้นเป็นใจของเราที่แห้งจากสติสัมปชัญญะเหมือนกับเราโยนก้นบุหรี่ไปในะที่แห้ง แล้วมีอารมณ์เกิดเข้ามาอีกเหมือนอารมณ์มาพัดค่อยๆใช่ไหมมีอารมณ์เกิดกูไม่พอใจนะ <laughs> พัดเข้าไปพัดเข้าไปเดี๋ยวลูกเราเพิมเลยที่เนี้ยสแสดงออกหน้าตาคำพูดออกหมดเลยใช่ไหมไม่แล้วไฟป่านะไม่แล้วไม่ใจแล้วดังนั้นเราจะทําไงที่จะทำทีนี้ถ้าไปโยนลงบางที่มันไม่ไหมเนี่ยเพราะอะไรโยนอะไรมันก็ไม่ไหมจุดไม่ขียลงไปมันก็ไม่ไหมเพราะยัยสุดเพราะอะไร เคยสังเกตไหมเราโยนคข้นบุหรี่หรือโยนไม่ขีดลงไปมันไม่ไหม้ที่ตรงนั้นอะไฟไม่ไหม้เพราะอะไรหนึ่งมันชื้นสองไม่มีลไม่มีขยะไม่มีของแห้งถึงมีลมมันก็ไม่ไหม้เพราะมันไม่มีเชื้อถ้าตรงนั้นมันชื้นมันเปียกมันเป็นน้ําถึงมีลมก็ไม่ติดเพราะความความแห้งไม่พอมันก็มีหงายมนไข่น่าจูจูไม่ใช่ไหม้เลยนะนี่เขาเรียกว่าแยกพูด วิพัชวะท่าไงวิพัชวะแยกพูดตามเหตุตามปัจจัยบอกว่าคุณโยนไม้ขีดลงป่านไฟมันไม่ใช่เสมอไปถ้าคุณไปโยน์ไม่ถูกที่มันนะใช่ไหมไปลงที่หินบ้างไปลงที่อื่นที่มันไม่มีเชือ้อมันก็ไม่ไหมเหมือนกันสิ่งที่มันกระทบใจของเราเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะเกิดกิเลสเสมอไปบางครั้งโยนไปร่ำไปถูกไอ้ไอ้ของแข็งเนี่ยมันก็ไม่ไม่มีเชือ้อไม่มีความคิดไม่มีการปรุงแต่งตกระทบแล้วก็แล้วไปถ้ากระทบทุกครั้งมันเกิดกิเลสทุกครั้งเราก็ตายทัยทนใดๆใช่ไหม เราเยอะเป็นบ้าเป็นบอเป็นโรคประสาทไปท่านเองไอคนเป็ น, น, นปโรคจิตโรคประสาทเพราะมันกระทบทุกครั้งแล้วมันคิดทุกครั้งไงมันคืเป็นโรคประสาทโรคจิตแต่อันนี้กระทบมันก็ติดบ้างไม่ติดบ้างแต่พระหันหรือพระอริยเจ้ากระทบแล้วมันดับทันทีมีแม่บางครั้งเราโยนก้นบุหรี่ไปถูกน้ําดับทันทีใช่ไหมอ่ะอย่างพระโสดาสกินะคารนาคาร น, าานี่อาจจะไปถูกที่ชุ่มที่เย็นเท่านั้นเองแต่พระหันนี่โยนเหมือนกับโยนไฟลงน้ํา ไฟนั้นจะแรงขนาดไหนร้อนขนาดไหนนะเป็นไงไม่ไหมไม่ไม่ดับลูกเดียวนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องของความจริงพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้เอาความเท็จมาพูดมาสอนท่านเอาความจริงมาสอนความจริงที่เห็นเ น, นี่แหละแต่ว่าเราจะโอปัญญิโกเป็นไหมคือหมายควเราจะน้อมมาฝึกตนเองเป็นไหมถ้าเราไม่ได้ดวงใจเห็นธรรมคาว่าได้ดวงใจเห็นธรรมนับตั้งแต่พระโสดาบานขึ้นไปสรุปว่าโสฬบานก็มีหลายขั้นนะ บางทีเป็นโซดาบานอ่อนๆคือเห็นใจตัวเองสักสิเป็นต์ี่ยเป็นโซดาบานอ่อนะจะเห็นใจตัวเอง 20% เปซ็นเป็นโซดาบันแข็งขึ้นมาเขาเรียกโซดาบานอ่อนเรียกว่าว่าสัตตคัตุปรรมความคิดบางอย่างเข้าไปกําหนดรู้มันทั้ง7ครั้งมันถึงจะหลุดพวกนี้ก็เลยโซดาบันที่เป็นสัตตคัตุปลธรรมความคิดลึกลงอะไรเข้าไปกําหนดรู้สองาครั้งหลุดแล้วเลือโสดา บันขั้นกุลังกุละพอกระทบเข้าไป ก, ก็หลดรูปปุ๊บหลุดเลยก็ได้โสดาบันขั้นเอกพีชีเอ ก, ช, เอกชีวะเอกพีชะเนี่ยคือว่า ม, มีพืชอยู่อันเดียว ก, ก็หลดรู้หลุดเลยเห็ น, ม, นมันก็มีหลายชั้นนะคนที่เห็นด้ดวงตาเห็นทำคนที่ดวงตาเห็นทำทั้งหมดที่เขาเรียกว่าโซดาปฏิมักอยู่แต่ถ้าหากว่าทําได้เด็ดขาด น, นะเรียกว่าโสดาปฏิผล ตามลำดับอันนี้ท่านบันัตเป็นเสาขึ้นมานะแต่ในภาคปฏิบัติของเราก็คือเวลามันปรุงแต่งได้ไม่นานเรารู้ทันแล้วก็หลุดไม่ว่าสามีว่ามาภรรยาว่ามานึกแต่เรื่องเก่าเนะี่ยแป๊บเผลอไม่ได้นึกทันทีทำไมมึงว่ า, ากูอย่างนี้เอ่อทำไมกูเลี้ยงมึงมาได้แท้เนะี่ยก็นึกอ๋อนี่มันคิดนี่รูห้หลุดทันทีอ่า แต่บางคนโอ้นี่ติดงวดเดือนนี้จะเอาที่ไหนไปจ่ายเนี่ยวดรักเจ็ดพันะมันมีเงินอยู่แค่หนะ้าพันคิดแต่เรื่องนี้เรื่องมาเอ้าโซดาบอลหายแล้วตอนนี้กําหนดเท่าไหร่ไม่หลุดนะเป็นผู้ดูชนธรรมดาเห็นไหมนี่คือเรื่องของความจริงที่เราประสบกันอยู่ทีนี้จะทำไงให้มันดุดเร็วขึ้นเออเจ็ดันก็เจนะ็ดพัน่ะเดี๋ยวออกไปหาได้เองแต่หลุดเหมือนกันนี่ดังนั้นการทําใจจะเป็นเรื่องสําคัญการฝึกจิตจะเป็นเรื่องสําคัญ เราก็โชคดีตรงที่เได้วิธีการแบบยกมือเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันหาจุดศูนย์กลางได้ง่ายมาจุดศูนย์กลางได้ง่ายมันก็ปฏิบัติได้เร็วไงแต่ถ้าเอาจุดศูนย์กลางของสติมาไว้ที่ลมหายใจเป็นไงมันมันบางมันเบาเหลือเกินนอ่ะมันไม่แน่นเหมือนเราไปเหยียบที่ลมที่โครนเลยใช่ไหมจะทํางานหนักหนักมันทําไม่ได้ตัวจมเลย เหมือนกันแต่การเคลื่อนไหวมือเนี่ยเป็นสถานที่จูดสุกการที่เข้มแข็งมากสติไม่หลุดง่ายๆแต่ถ้าไปกําหนดลงหายใจไปไงเพ้อไม่ได้ไปเลยไปกับความคิดพอที่สงบไปก็นินวร์นะง่วงเหงาเมานอนสลืมเสลืออยู่อย่างนั้นแหละนี่เขาเรียกว่าจุดอ่อนมันยังไม่เข้มแข็งจุดเคลื่อนไหวไม่เข้มแข็งเพราะฉนั้นหงพรอเทียนเคยเล่าว่ากำหนดเอาเอ า, เอาการเคลื่อนไหวที่มือนี่แหละ เป็นจุดที่เข้มแข็งที่สุดงั้นเมื่อก่อน น, นมาก็กล้ า, ากลัวๆยังไม่รู้เรื่องนะนะไอ้อา ย, อายุยกมือแต่เดี๋ยวนี้ที่แหนก็ยกได้ทางนั้นะทางมีมีพวกกันนะแต่ถ้าไปที่ต่างที่ไปยกมืออย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวเขายกมาเพี้ยนนะทำไงก็ทำอย่างไรพี่มือแค่นี้ก็ได้หรือหรือแค่นี้ก็ได้สมัยที่ยวมาไปหาหลวงพ่อพุทธทัดครั้งแรกปีสองห้าหนึ่งหกนะไปเจอท่านมาหลยก็อย่างเงี้ยรับแขกเข ทำไปเงี้ยอา้าวพอมาเข้าใจทำบ้าหลวงพ่อเทียไปเจอ ท, ทอันทีท่นก็ยังทาเหมือนเดิมนี่แหละนั่นแสดงว่าท่านเจริญสติแบบเคลื่อนไหวตลอดเวลาเหมือนกันแต่เราไม่รู้เอาทีนี้ดูทีวีของหลวงพอ่อยานสังวรสังฆราชนะฮะอั น, นนั่งพูดเมื่ไรก็เมื่อพระเจ้าหมุนอย่างเงี้ยท่านก็เจริญสติเหมือนกันจับจุดของใครของมันเอาไว้ก็ไม่น่าเกลียดอ่ะแค่นี้ใช่ไหมน่าเกยียดไหมไม่น่าเกลียด ไปขับรถขับลาก็ลูกพมอะไรเล่นไปจเจริญสติแล้วหรือนั่งคุยกันก็ก็กําหนดแค่นี้ไปไม่มีอะไรผิดปกติใช่ไหมหรือว่าผู้เทาก็นั่งทำงี้กแขนเล่นไปให้รู้สึกตัวเพื่อเพื่อดึงจิตกันมาอยู่สมกลางให้ไหวเห็นไหมโบราณเนี่ยเขามีเทคนิคของเขาเองมันใช้ที่เขาไม่ทุก์เนี่ยแต่เนื่องจากว่าคนสมัยใหม่เนี่ยไปเชื่อทฤษฎีเชื่อวิทยาศาสตร์มากเกินไปเลยทิ้งพวกนี้หมดเลยไม่เลยทุกเนี่ ทุกแล้วก็มีความรู้มากเท่าไหร่เอาความรู้มาเห็นฆ่าราวีกันเอามาทําร้ายประเทศชาติความรู้ไม่ได้เป็นประโยชน์เลยเพราะความรู้เป็นความรู้ของมิจฉาทิฐิเราจึงเรียกยุคนี้ว่ายุคมิจฉาทิฐิคือยุคมิขสัญญียุคมืดไงดังนั้นเองปล่อยให้เข้าเป็นไปถ้าเรามาปฏิบัติเราเราอย่าเป็นกับเข า, อ ย, าอย่ามืดกับเขาอย่ามืดกับเขา ดนั้นเวลายุคที่จะสิ้นาศาสนาหรือาศาสนาเป็นมิจฉาชีท่านบอกว่ามีคนสามยังพวกที่รอดสาพวกคือสามพงโพสีในภาษาอีสานนั่นผู้ที่อาศัยสามพผู้สีนี่รอดสามพผู้สีคืออยังคือผู้ที่เจริญศีลสมถิปัญญาเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในสามพงโพสีแต่นับถือพระธรรมพระสงฆ์แต่ไม่มีมศีลสมถิปัญญาก็ไม่รอดมีแต่ห่มห่างกันหมดเละ ผมมันพอแดดสองคือเก่าน่อยทอมันผมมีใบโอ้ผมม่ถ้าโฮมมีใบกับพุทธถือพระพุทธพระสงคล้วแต่มีสติสมรทิปัญญาด้วยแต่โฮมมีใบแล้วเราเข้าถึงพระพุทธพระสงค์แต่ว่าไม่มีสติสมรทิปัญญาลมมันก็เป็นลมห้างๆลมไม่ตายนั่นว่าละสองแดดสองคือเก่านั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเราให้เข้าไปศึกษาและสัมผัสอย่างระมัดระวังและด้วยศรัทธา อตาตมารู้เรื่องอันนี้มาแล้วมาก็ไม่เคยหยุดที่จะเผยแพรนะ่ไปทุกคนทุกแห่งที่มีโอกาสที่ทํามาจัดสรรให้ไปแดีวอะไรที่เป็นอุปสรรคต่อการเผยแพร่มาก็ไม่เอามาก็หนีเหมือนกันไปอยู่ที่ไหนแล้วไม่มีโอกาสทําเรื่องนี้ก็หนีเพราะมันเสียเวลาอยู่เพราะเราตายเมื่อไหร่ไม่รู้เจ็บเมื่อไหร่เราไม่รู้พวกนี้อาจจะตายก็ได้วันนี้อาจจะเจ็บก็ได้ใช่ไหมเพราะในขณะนี้มันมีชีวิตอยู่รีบทําเห็นไหมดิง้งเพราะความตายไม่แน่นอน แต่ถ้ามันอยู่ไปได้ก็ทําเรื่องนี้ไปเรื่อยๆเป็นประโยชน์ต่อโลกต่อสังคมต่อประเทศชาติไปนะดัง <c oughs> นั้นจึงอยากจะนําเรื่องนี้มาเล่าสู่ฟังเพื่อหเห็นความสําคัญว่าปัจจุบันนี้เรามีอุบัติเหตุเพศภัยและวิกฤตการณ์รอบตัวรอบด้านถ้าเรายังประมาทยังไม่จัดการเรื่องนี้ไม่ตั้งใจเรื่องนี้อย่างจริงจังนะเรามีหวังใดเดี๋ยวร้อนอะ่ะออกจากสามรมโพสีไป วิกิการทางด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมการศาสนาวิกิกา ร, ส, าาการสิ่งแวดล้อมไปกันทั่วหมดเลยนะแล้วก็วิธีการของโรคภัยไข้เจ็บเครื่รุนแรงโรคระบาดทําถ้าจะเอาไม่อยู่ใช่ไหมดังนั้นอย่าประมาทเลยนะมาทําเรื่องนี้ให้ดีนะทําเรื่องการเจริญเศรีให้ดีคือไม่ใช่ ม, มานั่งทําตอนยกมือสรงจังหวะหรือเดินจง ก, กรมแล้ไปทําทุกขณะที่เรามีโอกาส ได้ล้างถ้วยล้างชามดูพื้นซักผ้าสระผมอาบนา้ําดําหัวทํากําหนดดูไปนั่นเวลาออกกําลังกายบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ออกกาลังกายนะคือการเจริญสติแต่มันเข้มข้นหน่อยมันรู้สึกแรงหน่อยเท่านั้นเองแต่ทําให้เป็นแล้วมันจะได้ประโยชน์นะเพราะฉะนั้นช่วงเช้าวันนี้แล้วก็โมทนาสาธุความตั้งใจแล้วทิ้หลายได้ได้ตั้งใจศึกษาและปฏิบัติ แล้วก็ในช่วงกลางวันก็ปฏิบัติแบบนี้แหละธรรมาก็ยีอยู่เป็นเพื่อนนะแล้วก็ในช่วงไหนที่อยขึ้นไปสอบดูลด้ภาคบนก็ขึ้นไป้การขึ้นลงที่เนี่มามันไม่ได้หนักเหนื่อยเลยนะใช้ไฮดรอลิกอย่างเงีนนะเอาลมขึ้นเอาลมลงย่างวาหอไม่ใช่หอลมนั่นแหละพาเราหายเสียงน่หละพาเราได้สบายแต่ถ้าขเขาปล่อยให้ภาขึ้น้าคขาดสติภาคขึ้นบนีนหอบแหกแหกเนื้อะไรการแตกหมดเลยก็นะ เ, เข็ดเร็วเงี้ยต้งปวดขาปวดแข้งเงือไหล่ไขย้อยนั่นก็เลยไม่มีสติในการขึ้นเป็นอย่างนั้นทุกทุกไลน์นั่นก็ฮะอะ๋ไม่อย่าไปถึงคิดถึงเวลาอาจจะมาอาจจะใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งก็ได้แต่เดินแบบเรียบๆก็สิบนาทีก็ถึงแล้วแต่ว่ามันตรงนรกไงเงยการแตกไหลพลพรพลักเลยแต่ใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งมันมันได้ขึ้นสวรรค์ เนี่ยแรกขึ้นงลงไม่ใช่สำคัญสำคัญว่าเราจะไปนรกหรือไปสวรรค์ขึ้นขึ้นแล้วไปถึงแล้วไปนรกก็มีเหงื่อการแตกพลักๆเลยแต่ไปถึงแล้วขึ้นสวรรค์ก็มีเย็นสบายเบาไม่รู้สึกอะไรเพราะฉะนั้นที่เดียวกันเป็นได้ทั้งนรกสวรรค์แล้วแต่เราทําจิตถูกไหมเข้าใจไหมเพราะนั้นไม่ต้องถามว่าเวลาเท่าไหร่นะแล้วแต่เราจะไปนรกก็ไปเร็วหน่อยถ้าไปสวรรค์ก็ช้าหน่อยเท่านั้นเองนะถ้าไปยี่พานี่ช้าขี้กว่านั้นอีกอาจใช้เวลาถึงสองชั่วโมงแล้วปยี่พาน นะก่อนมุทนาสาธุก่อนท่านทั้งหลาย